อาตมาขออนุโมทนาในมหากุศลจิตอันเป็นกุศลของท่านโยคีทั้งหลายที่ได้เสียสละการงานทางบ้านเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาต่อพระธนไกร อันสูงสุดในขณะนี้เนื่องโดยเทศกาลแห่งวันวิสาขะและอัธมีบูชาซึ่งจะมีต่อไปในวันวิสาขะและอัธมีบูชานี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ในบระดาความสัมพันธ์ทั้งหมดด้วยกันสี่วันด้วยกันก็คือวันมาขบบูชาวิสาขบบูชาอัตมีบูชาแล้วก็อาสารหะบูชาสี่วันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาส น, น, นาเพราะฉะ น, นั้นชาวพุทธเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราก็จึงได้ เราําการบูชาเป็นกรณีพิเศษนอกจากถือสิงกิมเพลย์และประพุติปฏิบัติทมแล้วเรายังมีการประทักสิงเดียนเทียนอีกด้วยเป็นการให้ความเคารพการประทักสิงเดียนเทียนนี้ถือว่าเป็นการให้เคารพอย่างสูงนะเป็นกรณีพิเศษซึ่ง การประทักษิณีมีมาตั้งแต่ในดึกดำบันของชาวชมพูทวีเทวดาหรือมนุษย์กย็ตามที่เข้ามาเฝ้าองค์สุเดรจัระส ม, มาสัมพุทธเจ้าหรือจะมาพบพิสุกรูปใดรูปหนึ่งที่ตนเองนับถือนั้นก่อนจะลาจากนั้นจะกระทำประทักษิณ แล้วนมัสการมรอบแล้วปัดนมัส ก, การเราเพงจะไปแม้แต่เทวดาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันแต่ประเพณีไทยเราไม่ค่อยนิยมนิยมเฉพาะงานสำคัญสำคัญเท่านั้นที่จะมีการประทักษิณการประทักษิณ น, นีนอกจากจะให้ความเคารพแล้วยังถือเป็นกรณีพิเศษบางอย่างก็มีเหมือนกันนะ ถือว่าการกระ ท, เทาเช่นนี้เพื่อผู้อยู่ก็ได้สบายผู้ไปก็ปลอดภัยนะเคยมีประวัติมาตะพราหมชูชกก่อนที่จะไปขอพระกุมารที่เขาวงกตนะที่นางมิตรดาผู้เป็นธัญญานันชายไป ก็เห็นว่าการที่จะต้องบกบางป่าดงไปจนถึงประเทศหิมพานนั้นที่เขาวงกดไปขอ พ, อ, พอชารีและกันหานั้นต้องเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจากทาชกผู้เข้าเท่าชารานี้ก็กระทำการบรรทักศิณนาอมิตรดาการบระรทักศิณนี้ไม่ใช่แห่งความเคารพ แต่ท่านบอกว่าเพื่อผู้อยู่จะได้ปลอดภัยนะแล้วผู้ตาผู้ไปผู้ประจากไปก็ยะได้มีความสุขก็ถือแค่อย่านั้นนี่ก็ทำกันเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ที่ท้องสนามหลวงมาตามหรือในภายในพระอุบโบสถพระมาท่าก็ตามบริเวณนั้นชาวพุทธเราก็ทำการทักทิ้ง เวียนพระวิหารพระพุทธปฏิมาด้วยกัน3รอบถือว่าเป็นการบูชาเป็นกรณีพิเศษวันวิสาขาบูชานั้นเจ้าหากว่ากล่าวกันไปในต่างประเทศก็ไม่ค่อยจะมีใครรู้จัก แต่ปัจจุบันนี้ก็น่าเป็นที่น่าภูมิใจสำหรับวัวนวิสาขานี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของสาคลของโลกไปแล้วต่างประเทศยอมรับนะเป็นวันสันติภาพของโลกแต่ประเทศกูรอาแต่ประเทศอินเดียนั่นหรือจะเป็นประเทศเนปาลก็ตาม เขาไม่ใช่คบบําบวันวิสาขุบยัยรู้สึกเขาจะทําเพียงวันเดียวนะที่ให้ความสําคัญที่จะใช้คําว่าฉลองพุทธชยันตีฉลองสองพันห้าร้อยแผงพุทธชยันตนีก็แสดงถึงการปัสรูุขององค์เดชปสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมาแล้วพุทธชยันตีนั่นก็แปลว่าชัยชนะขององค์เดชปสัมมาสัมพุทธเจ้า จะหมายเฉพาะวันคิ่ตัดูเท่านั้นเพราะฉะนั้นชาวพุทธไทยเราจรึงไม่ใช้คานี้เพราะว่าในวันขึ้นสิบห้าคมเดือนหกนั้นตรงกับวันขึ้นคันทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยถึงสามประการด้วยเราท่านก็คงจะทราบกันดีนะก็หนึ่งเป็นวันประสูตร เป็นวันที่พระมหาบรุษนั้นนรืพโพธิสัตว์ประสู่จากพระคราโพธิอันณที่สวนลุมพินีวันปัจจุบันนี้ก็อยู่ในเขตประเทศเนปาล น, นะแต่ก็ห่างจากกัฏมนตดุพอสมควรจึงไม่กระทบกระเทือนวันนี้พระเดชพระคุณท่านอธิบดีทรงวดิมา่านคือท่า น, น, นจเจ้าวา ได้เดินทางไปนำของสิ่งของไปช่วยเหลือไปเช็ดน้ำตาของชาวกัทธรรมันดุคือประเทศในฝ่านันน้นเป็นแต่เมื่อเช้านะไปพร้อมด้วยท่านดุรคุณสมเด็จมหาราชมังคังาราชานแห่งวัดผักน้ำด้วยทัานพอสมเด็จท่านก็เคยไปจำพรรษาที่ประเทศในฝ่านั้นเป็นเวลาทิ้งึ่งเด กันดินของขน่นของเขาก็สั่นสะเทือนเข้าแผนดินไหวเสียหายหลายาเป็นจำนวนมากประชาชนตายเป็นหมื่นเป็นพันลเลยเอาไปเช็ดต า, ตาแต่ว่าจะกลับวันนี้ไปเช้าไปเช้าแล้วกลับตอนเย็น นบินใช้เวลาวิ่งประมาณสักมชั่วโมงหชั่วโมงก็ถึงแล้วเร่องนี้นักวิทยาศาสตร์ของเรานี่ก้าวหน้าช่วยเหลือในประเทศในฝานส่วนลุงบิดีวันนั้นก็อยู่ในเขตประเทศในฝันแต่ห่างมาก ซึ่งชาวพุทธไทยเราไปสร้างพระวิหารเจ้าแม่มาอ่าพระแม่มายาขึ้นใหม่ทําสัญลักษณ์แล้วก็ทําพุทธรูกที่เดียวกว่าเป็นองค์เล็กๆทีเดียวแบเบบี้บุทพันเป็นพุทธรูปองค์น้อยนะยัไม่ใช่พุทธรูปเป็นพระโพธิสัตว์องค์น้อยยกพระหัตถ์บรรดาชนีขึ้นเพียงนิ้วเดียวเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่า เป็นเอกในโลกนะอันนี้ก็ที่สำเร็จขึ้นได้เนี่ยก็คือคนไทยที่ต้อิมในการสร้างเบบี้ทุพเพนเป็นคนไทยไปอยู่ประเทศดิเดียนแล้วก็มีจิดคิดที่จะสร้างแล้วก็เลยว่าดนี่มาเพบบราบแปลว่าเป็นที่ยอมรับนะเสร็จแล้ว ชาวพุทธเราอีกท่านหนึ่งพวกหนึ่งก็เลยก็ ค, คือคุณสุดารักษ์ที่เป็นประธานนำไปไปสร้างวิหารและไปสร้างเป็นปูินียสถานที่ใหญ่โต ท, นะที่ประเทศในป่านนะที่สุลุคินีวันเนี่ยวิสาขานี่ตรงกับวันสําคัญทางพุทธศาสน า, นะส า, านเนี่ยประการประการหนึ่งเป็นวันที่พระโคธิสัตวา น, นประสูติจากพระคราฟโรนนะที่สุลุคินีวัน ก้อนในเชา้าในตอนเช้าใกล้เที่ยมประสุที่เดี๋ยวมวันนั้นนะก็ตรงกับวันขึ้น15คหาคำเดือนหกเท่เดียวกันเดี๋ยวเรียกว่าเป็นวันมิสากประการที่สองก็คือเป็นวันที่พระมหาบุรุษนั้นในทศรูปอุประสัมมาสัมโพธิญาณที่ภายใต้ต้นโพนะ วัวไม้มหาโพี่พุท ธ, ธกยาก็คืนวันนี้นะคืนวันที่15ค่ำในยางสามแห่งเราปีพ ร, รสรุเรียบร้อยแล้วพระ อ, องคอ์แสงอุทัยก็อาทิตย์อุทัยก็ส่องสว่างขึ้นในแวนแหลมหนึ่งคำ แต่ถือว่ายังเป็นวันมิสาขะก็คือยังเป็นคืนครึ่นสิบห้าคำเดือนหอยู่อันนี้ถือตามแบบที่เรียกว่าจันทรคติแล้วหลังจากนันสี่สิบห้าปีเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมด็จ ด, ดับขันธปรินิพานระหว่างต้นลังทั้งคู่ที่สารวนโนทยานตรงกุสิณารา ก็คืนวันวิสาขานี่เหมือนกันคืนวันขึ้นส5บห้าคำเดือนหกในตอนอย่างสามของราตรีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ตรงวันสาคัญเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถึงสามวันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้คำว่าพุทธชยันตีอย่างเดียวนั้นองค์ความไม่หมด เพราะฉะนั้นชาวพุทธไทยเราก็เลยใช้คำว่าวิสาขบูชาวิวสาขานี่เป็นชื่อของดาวเลิกคือดวงจันทร์เสวยวิสาขเกิกอยู่ในกลุ่มดาววิสาข์เพราะฉะนั้นเราจึงเอาชื่อของดาว เ, เนี่ยมาเป็นชื่อแห่งวันสำคัญพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นเมื่อถามว่าวันวิสาขาบูชานี้ก็ต้องมีปัญหาต่อไปว่าได้แก่วันอะไระมีปัญหาต่อไปก็คือได้แก่สมประการดดวยกันนะหนึ่งได้แก่เป็นวันประสูติสองวันประสรและสมวันปนินิพานสาวันปนนานิพานทั้งหมดเดียกันสวัน นักปราชาววัดมาธาดเราก็ได้แต่งเป็นบทภาษาบาลีว่าวิสาขบุณน า, ายังโยชาโตอันติมชาติยาปโตจากอภิสัมโพทิงอโทปิปรินิพุตกวันสำคัญสามวันก็คือหนึ่งวันประสูติซึ่ง เป็นมุมันเป็นภพสุดท้ายชาโตอันติมชาติยาพระพุทธองค์นั้นทรงประสูตินะพระโพธิสัตว์นั้นประสูติชาโตประสูติแล้วอันติมชาติยาด้วยการถือกำเนิดเป็นภพสุดท้ายภพที่สุดปัตโตจะอภิสัมโพทิิงทรงบรรลุ อภิสัมภพทิยาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอโทปิ ป, ปรินิพุโตและก็ปรินิพานวิสาขาปุามาอยังในวันวิสาขาบูชาสามวันในการเป็นปวันสาคัญนะเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอันท่านี้แต่แล้ววันสาคัญทางวิปัสสนานี่เราจะถือ เอาสาระในเรื่องของแต่ละครั้งนี่มีอะไรบ้างตามประวัติแล้วในการที่พระองค์ทรงประสูติที่สวนอุปนิวันนั้นเมื่อเสด็จประศาเสด็จออกจากพระคันของพระมาณดาา น, นั้นชาวโลกทั้งหลาย พร้อมในเทโลกก็ได้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงดำเนินไปได้เจ็ดเก้านะแล้วเหลียวดูทิฏสิทั้งสิบไม่ใช่ทิ่ทั้งสี่ทิฏ ท, ทั้งสิบเห็นว่าไม่มีใครนั้นประเสริฐไปแปกว่าพระองค์พระองค์ก็เลยได้กล่าวอาสภิวาจาขึ้นมาอโหมิสัมอโขหมัสสมิ โลกาสะข้าไเจ้าเป็นผู้เลิศกว่าใครในโลกเสถโธหัมมัสมิโลกัสะเข้าพเจ้าเป็นผู้ประเสริฐกว่าใครในโลกเชโถหะหัมมัสมิโลกาสะเข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ใหญ่กว่าใครในโลกทรงประกาศมา ะยมันติชาติมาชาตินัตถิธานิอุนปุโบภพนี้เป็นภพสุดท้ายภพอื่นไม่มันภ พ, พอื่นไม่มีอีกแล้วพระองค์ทรงประกาศนี่เรียกว่าอาสพิวาจาถ้าเราจะพูดกันตามแบบภาษาที่ทั่ ว, วไปแบบนักสุราบานก็คือว่า กล่าวแบบนักเลงโตนะไม่หว่นใครเพราะพระองค์มองดูแล้วไม่มีใครเลิกกับพระองค์เพราะฉะนั้นด้วยอำนาจของที่พระองค์ทรงเปล่งพระอุทานขึ้นมาเนี่ยนักประดิษฐ์จึงได้ประดิษฐ์เอาเป็นพระพุทธเจ้าน้อยที่ยกประหัรขึ้นนิ้วเดียวนะยกประหัรขึ้นนิ้วเดียวเนี่ยมันก็น่าศึกษาเนะ คุณโยมยกมันเพียงยกนิ้วชี้นแต่คนไทยเราไม่อย่างนั้นท่าใครเนี่ยที่ว่าเก่งการเนี่ยมักจะยกหัวนิโปกแม่คุนนิแน่แต่ต้องบอกไว้ด้วยนะคุณโยมนะไปประเทศเดียยกนิ้วนิโปไป่ได้นห้ามเด็กขาด ขายกนิปโปนี่หมายความถึงเราดา่าครับคือนิปโปนี่ท่านบอกว่านิ้วเดียวเนี่ยยกนิ้วเดียวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอวัยวะของผู้ชายห้ามเด็กขาดเป็นการาด่าครับออัตมาก็ได้สราบข่าวมาว่าเหมือนกับฝรั่งเหมือนกันยกนิ้วเดียวห้ามยกนิ้วกลางอืมอย่ามาเรียนรู้นะ แต่ว่าอินเดียห้ามยกนิโป้เพราะฉะนั้นเขาใช้อะไรบางคนก็ใช้คำว่าสิงเกอร์อยอะใช้นิ้วที่มีอำนาจคือนิ้วชี้นะพระองค์กล่าวเลยเพระมองดูแล้วไม่เห็นใครที่จะเลิศกว่าพราะองค์ในโลกจึงกล่าวคว่าอัคโคทม่ั้อัคโคมสมิโลกาสะเข้าไปเจ้าเป็นผู้เลิศกว่าใครในโลก เดชโธมัสมิโลกาสะเขาเปเจ้าเป็นผู้ประเสริฐกว่าใครในโลกไม่มีใครจะประเสริฐเท่าแม้แต่เทวดานั้นก็ยังเรียกว่ายังเป็นสานุสิษฐาเทวะมนุษษสาหนังเป็นเทวดาของอเป็นเนครูของบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เทโอมัสมิโลกาสะเป็นพี่ชายใหญ่กว่าใครในโลกในที่นี้ก็หมายความ่าคำ่าเป็นพี่ชายใหญ่เนี่ยท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับฟองไข่ไข่ไก่ที่ออกมาฟองเนี่ยตัวไหนที่ออกจากกระเปาะไข่ก่อนตัวนั่นถือว่าเป็นพี่ชายเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยที่บอกเป็นพี่ชายใหญ่กว่าใครในโลกนี่เพราะพระองค์ เจา อ, ออกจากกระเปาะแอกรเาะแอปองไข่คืออวิชาที่ห่อหุ้มเราสัตว์ทั้งหลายในพระองค์เป็นผู้เจาะออกได้เป็นองค์แรกที่พระองค์ตรัสรู้นี่ก็คือทำลายโมหะเสียได้จึงมีปัญญาเกิดจึงได้พระนามว่าเชตโธหมสมิโลกัสสนะเป็นพี่ชายใหญ่คือเป็นผู้ออกจาก กระป๋อคือฟองฟองไขคืออวิชาเป็นองค์แรกแล้วพระองค์ก็นําเอาวิชาการที่จะเจาะ ก, กระพองไขนั้นเปลือกไขนั้นออกมามาสั่งสอนประชาชนสืบกต่อไปนี่เหตุการณ์ที่ในตอนที่พระองค์ประสูต์ใหม่ ดำเนินไปแล้วก็ดูทิศทั้ง10นะทิศทั้ง10นั้นบางคนก็บอกเอธรรมดามันก็มีแค่8ทิศอย่างมากแต่ที่สำคัญก็มีสทิศทำไมตามหลักพุทธศาสนานี่จึงมาใช้คาว่าทิศทั้ง10เพิ่มคำว่าทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างตับเข้ามาอีกสองเข้ามาอีกสอง เราจะเห็นได้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทิศในท้ายนวโกวาตลองไปดูมีทิศทิศบืองบนคือสมณะพรามเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อสมณะพรามและทิศบงล่างก็คือคนที่รับใช้รับรับรับใช้ที่เราที่เราได้เป็นเรีย ก, ยกว่าเป็นทาสของเราเราจะเพิมปฏิบัติอย่างไร ต่อบุคคลที่เป็นทาตเป็นคนรับใช้ล่ะนี่คือทิศเบื้องต่ำนะฮทิศเบื้องนาคือนั่นบูรพาจารย์ก็คือทิศนาก็คือบิาดามารดาอะไปดูในทิศสิบนะนี่เพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนายิงกล่าวว่ามองดูในทิศทั้งสิบไม่เห็นใครที่จะยิงย่งใหญ่กว่าพระองค์พระองค์ก็จึงได้เปล่งอุทานมา เรียกว่าเปลง่อุทานโดยที่ไม่กลัวใครการที่พระองค์ประสูตรมาแล้วนี่สามารถเป็่นอุทานได้นี่ท่านบอกมีด้วยกันสมชาติมีด้วยกันสมชาติคือหนึ่งชาติที่เป็นมาเหส์พระมโหสถสองชาติที่เป็นพระเวสสันดรแล้สามชาติที่เป็นพระพุทธเจ้า ที่มาเกิดที่สุดท้ายทเทวพิรุจจาเป็นสติธรมเมื่อเกิดมาแล้วพูดได้นะตอนที่เกิดมาในชาติที่เป็นมโหสถนั้นพอพระองค์ประสูติมาแล้วปรากฏว่าเทวดานั้นได้เอาแท่งยามาใส่ไว้ในมือพระมาณดาเห็นเข้าก็ถามว่าอะไรลูกถืออะไรลูกชายก็บอก ยาแท่งยาแม่แล้วก็ยืนให้บกแท่งยานี่ยาถนาดนี้สามารถรักษาคนได้ถึงแปดสิบเจ็ดชนิดโครคภัยไข้เจ็บนี่ตามหลักคุณศาสานานี่บอกว่ามีถึงแปดสิบเจดชนิดสามารถรักษาได้ทั้งหมดแต่ลักษาไม่ได้คือโรกกรร ม, มหลักกรรมรักษาไม่ได้ นี่ก็ยืนให้แม่นี่ตอนพมเวนเป็นโมโหสุดตอนที่พระเวสสันดรไปเกิดในตรอกของพ่อค้าจึงได้ชื่อเวสสันดรพอประสูติออกมาปับแบมมือขอสตางแม่แม่มีทรัพย์มั้งไหมลูกต้องการจะให้ทานลูกต้องการจะให้ทาน เสร็จแล้วพระนามผู้ศีก็เลยมีเงินติดติดตัวไปถุงหนึ่งกะยะ็ยกนยประมาณพันกระหาปณะนะบอกลูกต้องการจะให้ทานเพราะนั้นในชาติที่เป็นผว้สันดรนั้นะจึงเรียกว่ามีชื่อเสียงมากในทางที่บริจาคทานจนกระทั่งบริจาคแม่กระทั่งปุตธตธาระคือลูกชายลูกหญิง แล้วก็มาเหสีบริจัมเหสีด้วยนะที่เทวดาปลอมตัวมาขอเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะให้ใครไปเสียถ้าห้ใครไปแล้วก็ไม่มีใครที่จะหาผลหมากล่าไม้มาให้ตัวเองได้เสวยต่อไปอคือตอนที่มามัดสี ก็เลยเทวดามาขอเพราะขอแล้วพระองค์ก็ยกให้พอยกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเทวดาก็ขอถวายกืนแล้วก็บอกว่านี่ให้แกข้าพระองค์แล้วจะให้ใครต่อไปไม่ได้นี่บริจาคทั้งปุตตาระคือทั้งลูกและก็พัญญา เพราะฉะนั้นในชาติที่เป็นเวสสันดรนี้บำเพ็ญฐานยิ่งกว่าบา ร, รมีอื่นฐานน้ำบา ร, รมีแล้วมาในชาติสุดท้ายนี้ก็คือที่ก่อนกอนเป็นก่อนที่จะตัสรู้นี่ก็คือเกิดมาเป็นเจ้าชายศิษฐาัฒน์พอเกิดมาแล้วก็สามารถเปล่งอุทานขึ้นมาได้ที่เรียกว่าอโคหัมสมมิโลกัสสังอย่างนี้เป็นต้น นี่ในตอนประสูตรนะสาระที่จะพึงพึงในตอนประสูตรเพราะว่าพราะบารมีพระ อ, องคนะ์นเต็มเปี่ยมแล้วตั้งแต่ในชาติที่เป็นเวสสันดรเมื่อทำลายขันไปแล้วก็ไปเกิดในชั้นดุสิตเทวโลกคอยเวลายอยู่คอยเวลาคอยเวลา พอเวลาจะกระทั่งเกิดมีชาวอินเดียชาวทุงภูทวีกเนี่ยเป็นคนช่างคิดก็คิดว่าสิ่งที่เป็นมงคลอะไรคือสิ่งที่เป็นมงคลบางคนก็กล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนั้นเป็นมงคลเช่นเราเห็นดอกไม้สว ย, สวย เห็นนกร้องในตอนเช้าฟังแล้วมันลื่นตาลื่นถื่นใจนี่มันเป็นมงคลอีกพวกหนึ่งก็เถียงว่าถ้าหากว่าการสิ่งที่เราได้เห็นเป็นมงคลก็ทุกอย่างก็เป็นมงคลหมดเพราะสิ่งที่เราเห็นบางทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของดีเสมอไปบางครั้งเห็นเขาคนลังขับไล่ข้าวฟันกันบางลังไปบางครั้งไปเห็นสิ่งที่สกปรก แล้วจะว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นมงคลได้อย่างไระจะเป็นมงคลได้อย่างไรก็เถียงกันอีกโพลนึงก็เถียงว่าสิ่งที่เป็นมงคลนั้นก็คือสิ่งที่เราได้ยินได้ยินเนี่ยจะเป็นมงคล เช่นตื่นมาในตอนเชา้าได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงเพลงเพราะๆแล้วเลื่อนหูอย่างนี้มันก็สิ่งที่เราเห็นได้ยินก็เป็นมงคลอีกพจนหนึ่งก็เถียงว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เราได้ยินเป็นมงคลองคงยุบทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นมงคลหมดเพราะสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยบางครั้งมันมีนะสิ่งที่เราไม่น่าจะฟังคือเช่นว่าพอตื่นเชา้ามีคนมาด่าที่หน้าบ้านเราอย่างนี้นะ หรือมาพูดจาที่เผ็ดๆร้อนๆอย่างนี้มันจะเป็นมงคลได้อย่างไรมันไม่ใช่จะพูดจาเพราะเสมอไปหูของเรานั้นชอบฟังสิ่งที่ไพเลาะแม้กระทั่งสัตว์เในฉานยังชอบฟังคำที่ไพเลาะเช่นโค น, นันพิวิษณ์นะเพราะฉำนั้ไอ้คำแบบอยาไปขายเนี่ยท่านบอกเปลี่ยนมันเอาก้านบัวนี่ย้อนเข้าไปในช่องหู มันแสนจะเจ็บมันแสนจะแสบเพราะฉะนั้นคำที่ไม่ไพเราะมันไม่สบายตาหูเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เราได้ยินนั้เป็นมงคลไม่ใช่ไม่ใช่อีกพวกหนึ่งก็เลยบอกว่าสิ่งที่เราเป็นมงคลนั้นคือมุตตะมงคลได้แก่สิ่งที่เราคิด นะสิ่งที่เราคิดแล้วนั่นเป็นมงคลทั้งสองพวกกระเทียงว่าสิ่งที่เราคิดเป็นมงคลมันก็เป็นมงคลหมดเพราะบางคนนั่คิดในสิ่งที่ทางชั่วก็มีนะเช่นคิดจะไปลักขโมยเขาจะไปฉวยหยิบเอาของของที่คนอื่นเขาไม่ให้อะไรอย่างนี้คิดจะไปลักก อ, อะไรอย่างนี้เล้วคิดอย่งสิ่งที่ไม่ดีอย่างเนี้ยมันจะเป็นมงคลได้ยังไงเลยสามพวกในการทิฏฐะมงคล บางคนที่เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นมงคลนะนสุตตะมงคลคนที่บางคนที่เถียงว่าสิ่งที่เราได้ยินเป็นมงคลอีกคนหนึ่งมุตตะมงคลที่เห็นว่าเราสิ่งที่เราคิดเป็นมงคลเถียงกันก็นกเลยว่าไม่มีคนที่จะชนะได้ก็เลยไปทําให้เทวดาที่อยู่ในบ้านของคนใดนะนะพวกลูปริเทวดาหรือพวก ที่อยู่ตามศาลนัภูมิเทวดาที่อยู่ตามบ้านเดือนไข่ก็เข้าพวกหังนั้นก็ไปประชุมกันมาหาใครตัดสินไม่ได้ก็พากันไปหาเท่าสกจะคือพระอินทร์ไปถามพระอินทร์ว่าอะไรเป็นมงคลพระอินทร์ก็ตอบว่าแม่แต่เราก็ไม่สามารถจะตัดสินได้เพราะฉะนั้นรอไปเถอะนะอีกสิบสองปีแล้วจะมีคนมา ตัดบสิ่งใดที่เป็นมงคลสิ่งใดที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นเทวดาพวกทั้งหลายก็รอคอยมาถึงสิบสองปีจนกระทั่งองค์สุดเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัศรูแล้วไปประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารพระอินทร์ก็เลยลงมาถามพระอินทร์ลงมาถาม มากราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นมงคลต้องรอคอยมันะก็ให้เทพบุตรองค์หนึ่งเป็นผู้ถามเพราะฉะนั้นเทพบุตรทั้งหลายเทวดาพระอินท์นั้นก็มาในตอนกลางคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะเทวดาจะมาฝ้่งอันนี้แหละ เป็นพุทธกิจห้าประการขององค์สมเดจพะสัมมาสัมพุทธเจ้าปุพพันเหปินทปาตาันาจะาตอนชาพระองค์เสด็จออบิทบะสายันเหธรรมเทสนังแดดล่ม ล, ม, ลมตกก็แสดงธรรมโปรดประชาชนปโทเสพิคุโอวาทังพอยามค่ำก็ส่องสั่งสอนพิสุทั้งหลายเกียวว่าเรื่องธรรมวินยัย อัทรเตเทวปันธนังพอเที่ยงคืนไปแล้วแก้ปัญหาเทวดาเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายเนี่ยที่จะมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสมมาสมุทรเจ้าเนี่ยจะมาเฝ้าตอนเที่ยงคืนไปแล้วท่านก็ถามต่อไปว่าทําไมเทวดาไม่มาตอนกลางวันหรือตอ น, ตอนหัวค่ำท่านบอกว่าที่เต่ามนุษย์นี่แรงเหลหือเกินไม่มาอย่างหน้าร้อนนี้ด้วยทํางานทําการเหงืออ่อยหลายโอ้โหอ เพราะฉะนั้นจะมาในยามเที่ยงคืนไปแล้วให้มนุษย์กลับมาจะาทางานอาบน้ำอาบท่าให้ดีบริโภคอาหารแล้วนอนหลับซะก่อนตอนนี้ขี้เต่าค่อยระงับนอนนะมาแล้วมาและเทวดาทั้งหลายไม่นั่งยืนยืนทูลถามปัญหาไม่เทวดาไม่มีนั่งทิตาโศสาเทวดาทั้งไมงถามทำไมไม่นั่งท่านบอกว่าไม่อยากจะมาเมืองมนุษย์ เพราะเมืองมนุษย์ี่พอเข้าใกล้หนึ่งรอยติโลอักี่หนึ่งรอย Jamie, โยชน์เองได้กลิ่นเหม็นแล้วเพราะฉะนั้นต้องการมาเฝ้าองค์สัตว์ปุสสะมาสมุทรเจ้าเสร็จแล้วจะได้รีบกลับเพราะฉะนั้นมวยยนั่งแล้วมันลำบากมันไลยต้องลุกยืนนี่มันเสียเวลาเพราะฉะนั้นยืนเลยพอเสร็จแล้วประทักสินแล้วออกไปก็มาทูลถามก็ให้เทวบุตรองค์หนึ่งเป็นคนถามเทวบุตรก็ถามขึ้นบาเพราะภูเทวามนุษย์สาจะ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมังคลานิอาจินตยุงคลั่งคิดแต่เรื่องสิเป็นมงคลอากังขมานาโสถานังหวังความจเจริญผาสุขของตัวเองพรูหิมังครามุตตะมังขอพระองค์จงบอกว่าสิ่งใดเป็นมงคลพระองค์ก็ตรัสเลยอเสวนาจะพาลานังนี่แหละ การไม่คบคนพาหนหนึ่งปณิธา น, นั้นจะเสวนาคบหาแต่ผู้ที่เป็นบัณฑิตบูชาจะภูชนียานังบูชาต่อคนที่ควรเคารพกราบไหว้บูชาเอตัมมังสัมมุตตังสามประการนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนะรวมแล้วพระองค์ตัดมงคล น, นั้นสิ่งที่เป็นมงคลสามสิบแปดประการ นี่ต้องรอค อ, อยนะนี่เป็นภุตกิจขององค์สุเดระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหลังเที่ยงคืนไปแล้วต้องคอยแก้ปัญหาให้ภูเทวดาทั้งอลายนะนี่แหละภุตกิจของพระองค์นะฮะในเรื่องของเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงได้เรียกว่าไม่มีใครที่จะเปประเสริฐกว่าพระองค์ในโลกนี้ จึงได้อุทายคือมาว่าอัปโคหามะสมิโลกสะดังที่กล่าวมาแล้วนี่ในสถานในวันที่ประสูตในวันที่ตัสลูเช่นเดียวกันวันที่พระองค์ตัสลูนั้นก็ในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าคำเดือนหกอยู่เหมือนกันนะในวันเพ็ญสิบห้าเดือนหก ตอนตัสรูนั่งมีสาระอะไรบ้างที่เราจะพึงนับที่จะที่เรียกว่ากำหนดนับได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ่ะเมื่อพระองค์ทรงตัสรูแล้วนะนะ่ะพระองค์ก็กล่าวเยาะเย้ยทันหาอันเนกาชาติสังสารังสันทาวิสังอันนี้ิพิสังกะการลังเขวิสันโตทุกขาชาติปุณนับคุณนั้นัง ข้าพเจ้าเมื่อแสวงหาในช่างผู้ทําเรือนคือตัวตันหาเมื่อไม่ประสบพบนั่นจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรนี้หลายหมื่นหลายพันชาติอเนกชาติสังสารลังหลายหมื่นหลายพันชาติเมื่อไม่ประสบพบนั้นต้องเกิดขึ้นบ่อยๆทุกขาชาติปุรณะผู้นั้ การเกิดขึ้นนั้นมีทุกขอยู่ร่ำไปตามหลักพุทธศาสนาแล้วท่านบอกว่าคนเรานี้เกิดมาเนี่ยไม่มีความสุขนะมีแต่ความทุกข์แต่ที่เรารู้สึกมันสุขนั่นคือความทุกข์มันน้อยลงไปเหมือนกับอากาศของเรานี่ในโลกเรานี่น อ, อากาศร้อน แต่ที่เรารู้สึกเย็นนั้นเพราะว่าอากาศร้อนมันถอยลงไปเช่นเราจะเห็นวันในตอนเช้าก็ค่อยชั่วหน่อยอากาศมันมันไม่ร้อนมากแต่ตอนกลางวันนี่ร้อนมากเพราะนั้นทุกขาชาติพุนภุนังนนการเกิดมีแต่ทุกล่ำไปเป็นไงเกิดแล้วเป็นทุกชาติปิทุขาการเกิดมาก็เป็นทุก ชลาปิตุขาการแก่เท่าชลาก็เป็นทุกข์มรณะปิทุขังการที่เจ็บไข้ได้ป่วยก่อนที่จะถึงเก่มรณะการมันก็เป็นทุกข์อะไรยำปิตังปิทุขังสิ่งใดที่ คิดอยากต้องการล้ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดที่ไม่ต้องการแต่ประสบเข้ามันก็เป็นทุกข์เพราะนั้นคนเราเกิดขึ้นมาในทุกข์ร่ำไปแต่ละวันนี้มีแต่ทุกข์นั้นทุกข์ยังไงพอตื่นขึ้นมาปั๊บทุกข์ต้องเข้าห้อง น, น้ำนะพอเข้าห้อง น, น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกข์เพราะหิวอาหารทานั้น วันหนึ่งมีทุกข์วันหนึ่งมีทุกข์นี่พระองค์ได้บรรลุนะบางทีบรบรลุอริยสัจสี่ประการนะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมากเห็นความที่ทิศเที่ททยงแท้แน่นอนที่เรียกว่ามันเป็นทุกข์ที่แน่นอนไม่เสื่อมคลายนะที่เราเรียกว่าอริยสัจอริยสัจนี่หมายถึงว่า ของจริงที่จริงๆนะไม่เปลี่ยนขเข้าแต่บางอย่างนั่นเป็นสมมติทัจสัจคำว่าสมมติทั่สัจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราสมมติขึ้นเช่นสมมติขื้ชื่อขึ้นเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยชื่ออย่างนั่นชื่ออย่างนี้แต่อยู่ต่อมาพอแล้วเออไปดูหมอไปดูอะไรบอกหมอไปเขา่าฉลบต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เอาเปลี่ยนไปแล้ว นี่จึงเรียกว่าแม้แต่ชื่อของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นมันเป็นแค่สมมุติสัจจะไม่ใช่เป็นอริยสัจจะแต่ทุกขาชาตินี่เป็นอริยสัจอริยสัจจะเลยแปลของจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่เปลี่ยนแปลงชาปิโตขาความเกิดก็เป็นทุกข์นะไม่มีใครเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เกิดมาแล้วหัวเราะนม่ม ร้องไห้ทั้งนั้นร้องมาตั้งแต่ออกนั้นนี่ชาติปีตขาชลาปิดุขานี่เมื่อสภาพของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปไปแก่เท่าชาาแล้วไม่ทุกคนอาตมากเราเข้าใจว่าไม่อยากแก่แต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับขับสายเขาได้เพราะไม่อยู่น้ำหน้าของเราที่ทะเลาว่าเป็นอนัตตาเราไม่สามารถบังคับได นี่พอแก่พอชราวิรุขาแล้วเป็นยังไงจะนั่งก็โ้ยจะลุกก็โ้ยมันปวดมันเมื่อยไปหมดนี่แหละนะฮะมันเป็นความทุกข์ที่ทุกข์อย่างแท้จริงพระองค์ทรงเห็นอริยสัตว์สีประการ เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงย่อเย้ยทันหาว่าต่อไปนี้ทันหานี่ไม่สามารถที่จะมาสร้างเรือนคืออัตภาพให้ได้ใหม่แล้วไม่สามารถจะสร้างให้ใม่แล้วก็กร่อยเยอะเยะเย้ยทันหาไปนี่สาระในการที่ตอนที่พระองค์ตัดสุลูกในปรินิพานหลังจากนั่นมาทางตัดสุลูก หลังจากประสูติมาแล้วส5สห้าปีพระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้เมื่ออายุได้ส5สิบห้าพรรษาแล้วเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์สั่งสอนเวนยสัตว์มาสี่สิบห้าปีจึงได้ปนินิพานก็มาตรงกับบันเพลงขึ้นส5บหาคำเดือนหกเม เป็นขึ้นสิบห้าข้าเดือนหปรินิพพานในขณะที่พระองค์ปรินิพพานนั้นในวันที่พระองค์ปฏินิพพานนั้นก็ตรงกับวันนี้มันวันวิสาข์ตอนที่จะปฏินิพพานพระองค์ได้ตัดสาระอะไรไปบ้างนะในขณะนั้นปรากฏว่าถวยเทพเท ว, วดาทั้งหลายนั้นตอนที่พระองค์ทรงบรรทมอยู่ที่พระแท่นสุดท้าย ระหว่างต้นลังทั้งคู่นั้นนะแม้ต้นลังนั้นก็คือบุ้้่อจะบูชาพระองค์นั้นก็ผลิดอกออกผลและก็ล่วงหล่นมาแม้แต่เทวดาทั้งหลายก็โปรยดอกพระทีเรว่ากุพชาติมาท่านบอกว่าในสถานที่ปณิพานนั้นดอกไม้เนี่ยสูงเสมอเข่าเลยเงิ่งแงนั่นเป็น พระองค์ก็ตัดเรียกพระอานนท์มาแล้วก็เรียกพิสุททั้งหลายมาพระองค์ก็บอกว่าการที่ทวยเทพเทวดาทั้งหลายได้บูชาพระองค์ด้วยอามิสบูชาเช่นดอกไม้ของหอมเนี่ยไม่นับว่าการเป็นการบูชาพระพุทธองค์อย่างแน่นอนเลยนะอย่างอุกฤษหรืออย่างที่เลวเลือกเลยเพราะว่าการบูชาด้วยอามิสบูชานั้นมันได้เพี้ยชั่วครั้งชั่วคราว ไม่สามารถอย่างพุทธศาสนาของตถาคตนั้นให้ยั่งยืนอยู่ยืนนานได้แต่การที่ <c oughs> พุทธศาสนิกชนทั้งหลายบูชาด้วยการปฏิบัติต่างที่เรียกว่าปฏิัติบูชาเนี่ยเป็นการบูชาต่อพระองค์อย่างประเสริฐและอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องเพราะอะไรที่บอกอมิสบูชาเนี่ย จึงพระองค์จึงถือว่าไม่ใช่เป็นการบูชาที่แท้ที่แน่นอนเพราะอาบิสบูชานี่มันอยู่ในช่วงครั้งช่วงคราวเช่นยกตัวอย่างข้าวปราอาหารเราก็ไริโภกแค่อิ่มหนึ่งอิ่มหนึ่งก็อยู่ได้กี่ชั่วโมงต่อมาไฟท่าก็ย่อยอาหารนะจนกระทั่งที่เราหมดไปอาการหิวก็มี นี่จึงเรียกว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นจึงอยู่สัตว์ทุกตัวตนนั้นจะต้องอาศัยอาหารเป็นตัวตั้งถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดอาหารซะแล้วไม่สามารถจะอยู่ได้แต่ก็เป็นอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเราต้องพลนเปลออยู่เสมอแต่ส่วนอาบิสแต่ส่วนด้วยปฏิปฏิบูชานี่ บูชาแล้วมันไม่เสื่อมมันไม่ย่อยไฟธาตุไม่สามารถจะตีให้แตกได้เหมือนกับอย่างที่ท่านสาธุชนทั้งหลายท่านพยโยคีทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมครั้งเนี้ยก็เพื่อเป็นการที่บูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระรัตนตรัยอย่างยิ่งยวดนะที่องค์สมเด็จพระสัมม า, านะสัมพุทธเจ้านั้นทรงยกย่องว่าเป็นการบูชาที่ถูกต้องนะเป็นการบูชาที่ เลิดล้ำไปเป็นการบูชาที่เลิศเยเพราะฉะนั้นอาตมาจึงได้อนุโมทนาว่าท่านสาธุชนทั้งหลายนี่ได้มาบำเพ็ญกองการบุญสมทังนี้ก็เพื่อเป็นการบูชาตรอองค์สุเด็ภิกมุสมาบูชาอย่างถูกต้องจึงขออนุโมทนาด้วยกันนะในวันวิสาขาบูชานี้บางท่านก็อาจจะสงสัย ว่ามันมีทุกวันทุกปีนั่นมันมีกลางเดินหกแต่ทาไมปีนี้จึงมีในกลางเดืนอนเจ็ดสาเหตุที่มีในกลางเดือนเจ็ดนั่นเพราะว่าในกลางเดินหกนั้นดวงจันทร์นั้นยังไม่ไมทันสเสวยวิสาขาเลิกคือดวงจันทร์นี่เดินช้ากว่าดวงอาทิตย์นั้นปีละสิบเอ็ดวัน ปีลิบปีริบเอ็วันยังไงบางคนทำไมได้คิดมันก็ไม่มันก็มันก็ปล่อยเฉยๆไปเหมือนกันคือการนับเดือนนับวันของชาวไทยเราเนี่ยมีสองประการประการหนึ่งที่เรียกว่าจันทรคตินับตามดวงจันทร์ก็คือนับตามเดือนไทยปีหนึ่งมีส2องเดือนก็คือเดือนไอถึงเดือน12บ สิบสองเดือนนี่เดือนที่เป็นเดือนคู่ก็คือเดือนยี่เดือนสี่เดือนหกเดือน8ปเดือนเดือนสิบสองหกเดือนนี้จะมีสามสิบวันคือมีขึ้นสิบห้าคำแล้วก็แหลงสิบห้าคำ ส่วนเดือนที่ก็คือเดือนไอเดือนสามเดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนเก้าเดือนส1บเอดหเดือนมียี่สบเกวันคือมีขึ้นส5บห้าคำแต่มีแรงสิบสี่ไม่มีแรมสิบห้าเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยปีหนึ่งจะมีส5 4อยห้าสิบสี่วัน สำหรับจันทรคติแต่ส่วนสุริยคติคือนับวันที่ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงธันวาสิบสองเดือนนี้มีสามรอยหกสิบห้าวันลองลบซิว่ามากกวที่วันนะสามร้อยห้าสิบสี่วันนะกับสามร้อยหกสิบห้าวัน 11วันปีหนึ่งนั้นดวงจันทร์เดินช้ากว่าดวงที่สิบดวันสามปีเท่าไหร่สามปีสามบสามวันเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่สามแล้วเดือนออเดือน ห, ออ ด, อนหดวงจันทร์จึงยังไม่ถึงวิสาขเริกเพราะฉะนั้นต้องรอไปอีกหนึ่งเดือนนะ เพราะฉะนั้นถึงอย่างนั้นก็ยังขาดไปอีสามวันเมื่อขาดไปอีกสามวันแล้วก่อนที่จะถึงอธิกมานจะมีปีหนึ่งเขาเรียกว่าอธิกวานอธิกวานแปลว่าเพิ่มมาอีกวันก็คือเดือนเจ็ดแลมสิบห้าครั้งสามปีจะมีครั้งเดือนเจ็ดหรือมามีแค่แลมสิบสี่เท่านั้นเอง แต่เดือนเจ็ดมีวันแรมสิบ้าค่ำจะมีสามปีครั้งก็ยังขาดนะยังขาดไปแต่ทางสรยัคติทางจันทร์แอ r ทางนับวันที่นั้นก็ยังประหลาดเหมือนกัน4ี่ปีเพิ่มมาอีกวันที่เราเรียกว่าอธิกะสุรทินเพิ่มเดือนไหนกุมภาวันที่ยี่บเก้า สี่ปีมีครั้งอืเพราะวันนั้นบางคนบอกว่าเท่าเกิดยี่สิบเก้ากุมภาแล้วก็สี่ปีทําวันเกิดทีครั้งพ่อแล้วนะถึงยี่บเก้าตมาแนะนําว่าดูสิว่าที่เราเกิดวันที่ยี่บเก้าปีไหนนั่นมันตรงกับจันทรคติขึ้นทีครั้งให้ทําวันนั้นแทนไม่ต้องไปรอวันที่ยี่บเก้าแล้วนั่นสี่ปีทาครั้งเดียวอืนี่มากอย่างนี้ เพราะฉะนั้นสามปีเนี่ยมันน้อยกว่าจันทรคติอ่ะมันน้อยกว่าสุริยคตินี่สิบเอ็ดวันอ่ะสามสบสามสิบสามวันเราก็เลยเพิ่มอธิกามามคือเดือนแปดมาอีกเดื อ, อีกสามสิบวันก็ฉะนั้นในปฏิทินแต่ละปีหนึ่งเขาจะมีนะดูด้วยบางปีใช้คําว่ามีอธิกามามปีนี้เป็นมีปีอธิกกามาก็หมายความมีเดือนแปด เพิ่มไป ห, หเดือนเทอาิกาวานก็แปลว่าเพิ่มเพื่อไมวันหนึ่งคืนแรงสิบห้าคำเดือนเจ็ดเทอาทิ์กรสุรทินก็วันที่ยี่บเก้ากุมภาพันธ์เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแม้จะเป็นการเดือนเจ็ดเราก็ถือว่าดวงจันทร์เพิ่งจะมาเสวยวิสาขะลือจึงถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา นะไม่ใช่การเดินหกเป็นการเดินเจ็ดโดยถือเอาดาวเลิกเป็นประธานนะี่จึงมาทําในการเดินเจ็ดวันนี้นะทําในการเดินเจ็ดวันนี้ในวันที่องค์สุเดวปสัมบ ร, รินิพานนั้นนอกจากที่พระองค์เจ้าได้กล่าวแล้วว่า การบูชาด้วยอามิสบูชานั้นเป็นของที่ไม่มั่นคงและไม่อย่างยืนไม่ถือว่าเป็นการบูชาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแต่การบูชาอย่างแท้จริงนั้นด้วยต้องบูชาโดยปฏิปฏิบูชาคือบันจะไปบูชาด้วยการปฏิบัติตามปฏิบัติตามคําสอนทาสอนของพระองค์มีอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องไปจับดูในเรื่องของท่านมหาปาลิต วบวชเข้ามาแล้วก็ได้กลับไปกราบทูลถามองค์สมเด็จชปสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าธุระในศาสนานี้หรือหน้าที่ในศาสนานี้มีกี่อย่างพระองค์ก็ตรัสว่ามีสองอย่างอะไรบ้างหนึ่งคันะธุระเรียนพระคำพีนะเรียนคัมภีร์นี่ก็คือเรียนตามปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเรียนตามพระไตรปิฎก เป็นคำสอนขององค์สุเด็จพระสมมาทิมติเจ้าเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญามีหมดเรียนพระคัำพีนี้ก็คือเรียนตามภาษานั้นให้ท่องจําให้จําได้แล้วก็ให้แปลออกนะให้แปลออกด้วยเพราะฉะนั้นการเรียนพระคัำพีนี่เข้าจใจดีแล้วก็ต้องเรียนเรียกว่าเรียนภาษาบาลีเพื่อเราจะได้รู้ว่าภาษาบาลีนั้นมีความมุ่งหมายอย่างไร แต่เราไปเรียนภาษาไทยแล้วบางทีเราก็ไม่ค่ยแน่ใจเหมือนกันว่าคนที่แปลมานั้นแปลมาถูกหรึเปล่าอมเนื้อความได้หมดหรึเปล่าแต่ว่าการเรียนภาษาบาลีนี่ต้องใช้เวลานะฮะอิประการหนึ่งเรียกว่าคันธุระกับประการที่สองคือวิปัสนาธุระเรียนเพื่อความรู้แจ้งในกองสังขารโดยประการทั้งปวง อันธุระวิปัสนาธุระในวิปัสนาธุระนี่ก็มีสองประการคือสมถะและวิปัสนาสมถะเป็นยังไงสมถะนี่ท่านบอกว่าอุบายเป็นเครื่องระงับจิตใจหรือทําให้จิตใจสงบเช่นบางท่านเนี่ย จะนั่งสมาธิจ ะ, จะเจริญวิปัสนาแต่ว่าจิตใจยังไม่สงบทำไงให้เจริญสมถะก่อนเพื่อให้จิตใจสงบเรียนสมถะอย่างไรจเจริญสมถะเหมือนกับท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ก็เรียนสมถะนั้นเรียกว่าพุทธานุสตินำเอาพุทธรูปนะมาเป็นที่ระลึก เพ่งดูพุทธรูกเพ่งดูพุทธรูกจำรักพุทธลักษณะให้ได้ทั้งหมดแล้วกลับตับตามองเห็นว่าเหมือนกับเราลืมตอันนี้เพื่อจะดึงใจไม่ให้สร้างมินิทิเพราะบางท่านนี่ ท, ทิจใจไม่สงบพอนั่งสมาธิปั๊บโน่นคิดถึงทางบ้าน หรือมีลูกหลานเรียนอยู่ต่างประเทศส่งไปใจพื้นนู้เพราะกระแสจิตของเรานี่มันบังคับยากทูลังขมังเอกรจรังทูลังขมังไปได้ไกลเอกะฉะละกกะลังไปไดท้ท่องเที่ยวไปคนเดียวทุรักขังทุนิวาล ย, ยังรักษาญาแล้วก็ห้ามญาจิตของเราเป็นยัง พันธนังจะปรลังจิตตังจิตของเรานี่ปัดแกงอยู่เสมอฮะพันธะ น, นังจะประลังจิตตังธุรักขังทุนิวายังมันยากถ้าบุญไทยสามารถระงับจิตใต้ท่นั้นจะพ้นจากบวกหามาเนี เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตยังไม่สงบให้เจริญสมถะก่อนจนกระทั่งจิตแน่วแน่แล้วก็ยกจิตขึ้นสู่พระใจลักเจริญมีปาสนาให้พิถึงร่างกายของเรานี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นยังไงอนิจจังตั้งแต่เริ่มเกิดมาก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยจากเด็ก ขึ้นมาวัยรุ่นแล้วมาเป็นหนุ่งสาวจนกระทั่งเท่าสลานี่ด้วยอำ น, นาจของอนิจจังทุกขังเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีทุกข์อยู่ร่าไปอย่างที่กลาวทุกเพราะความหิวทุกเพราะความกระหายทุกเพราะร้อนทุกเพราะเย็นไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกทั้ง ทุกนี่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงเมื่อสังขารเปลี่ยนแปลงไปมันก็ทําให้เกิดทุกข์ที่เรียกว่าชรลาปิตุกขาเห็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงอนาตตาเป็นยังไงนา ต, ตาที่เราเรียกมาเชิตัวไปตัวตนโดยมากนา ต, ตานี้บางคนบอกมองเห็นยาก ว่าตัวของเราแล้วจะพูดมัใช่ตัวของเราได้อย่างไรนี่มองเห็นยากเพราะฉะนั้นให้ยกสิ่งที่เปรียบเทียบเท่าคนใช้ของเราเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของเราเราบังคับได้ถ้าไมใช่คนชายของเรานี้คนอื่นเราสามไม่สามารถบังคับได้นะแล้วเราเราดูตัวของเราเองสิเราเกิดมาทุกคนอาตมาเชิญแน่ว่าไม่อยากแก่ แต่เราบังคับได้หรือเปล่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะบังคับได้หรือเปล่าเปล่อโตไปก็แก่แม่ธรรมาเองก็ไม่อยากจะแก่มันก็แก่มาขนาดนี้เหนะมือนกันเพราะบังคับไม่ได้ เ, เพราะบังคับไปได้แล้วจะว่าตัวตนของตัวเองได้ยังไงมันก็ไม่ใช่ตัวของเราถ้าตัวงเราเราบังคับได้ นี่เพราะเราบังคับไปได้เนี่ยจึงเป็นหลักของอนตัตตาแปลว่าไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยเอาง่า ย, ายเพะฉะนั้นนิพพานนีไม่อยู่ที่ไหนอยู่ในจิตของเราเองตัวเราเองคือ น, นิพพานถ้าพิจารณาให้ดีพับเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำลายกิเลสได้หมดความเยื่อใยเยียดีทั้งหลายเนี่ยมันก็หมดกิเลสได้ก็เป็นนิพพานได้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสวงหาพระอรหันต์ตามถาม้าตามอะไรเละนะอยู่ที่ใจของเรานี่นิพพานอยู่ที่ใจของเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระวังให้ดีที่สุดก็คือต้องจับเจ้าลิงให้ได้ไอนะ้ลิงตัวนี้เนี่ยสำคัญมากมีด้วยกันทุ ก, ท, กทุกคนกะปิจิตตังจิตในธรรมเรียรมันก็ลิงลุกลิกอยู่เสมอ เยจิตังสั ญ, ญเมสมันติโมขันติดมารพันธนาบุคคลใดระงับจิตของตัวเองได้บุคคลนั้นจะพ้นจนมมากบุญแห่งวันไอจิตของเราเนี่ยตัวเนี้หลูกหลีกนี่จับยากที่สุดนะถ้าใครจับจิตตัวนี้จับลิงตัวนี้ยอยู่เราใช่ได้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าจิตนี่เปลียมันลิงนะท่านเปรียบเรียกว่าอาณานาภายใน ไว้เนี่ยถึงหกประการเดยกันนะเหมือนกับสัตว์ต่างๆนาน า, นานะตานี่ยทำเปรียบ ม, มันงูหูทำเปรียบ ม, มันจระเข้จมูกทําเปรียบ ม, มันนกนะตาหูจมูกลิ้นลิ้นทนเปรียบ ม, มันสุ น, นัขป่า อ่าสุนัขบ้านนะเรนเนี่ยเปลี่ยนมาสุนัขบ้านกายเนี่เปรี่ยนมืาสุนัขป่าแต่จิตนี่เปรี่ยนมาลิงนะท่านเปรียบเที่ยงให้ฟังเพราะฉะนั้นจับจุดใหญ่ที่สุด ก, ก็คือต้องจับลิงตัวนี้ให้ได้นะเราท่านทั้งหลายเลี้ยงลิงไว้คนละตัวพอนะท่านเธอจับลิงมาอยู่แล้วเสร็จนะจับลิงได้ ท่านทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็เพื่อต้องการจะจับหลิงตัวนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียชื่อกลับบ้านว่ามาทั้งทีแล้วจับหลิงไม่อยูนะ่จับให้ได้จับให้มันอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นก็มาแล้วก็เพื่อปฏิบัติทำเพื่อเป็นการในระยะที่เทศการแห่ง วิสาขะและอัฐมีบูชานี้ท่านทั้งหลายก็ามาเจริญวิปัสสนานี่เพื่อเป็นการถวายต่อองค์พระพุทธไตร์นะนับได้ว่าเป็นการบูชาเป็นปฏิปัฎิบูชาเป็นการบูชาอย่างยอดเยี่ยมนะเนการยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นต้องมีจิตเสมออย่าได้ประมาทเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทิ้งทอดท้ายไว้ว่าวยะธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทิธาภิกษุทั้งหลายต่ถาคดขอเตือนเธอเป็นทางสุดท้ายว่าสังขารของเรานี่มีแต่ความเสื่อมไปและสิ้นไปเธอจงอยังสัมมาปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการที่ไม่ประมาททำไมประมาทซะอย่างไม่พลาด เพราะฉะนั้นที่บางกที่มีพุทธภาษิตว่าความไม่ประมาทนะั้นเหมือนความไม่ตายคนที่ประมาทเหมือนคนที่ตายแล้วเอาละวันนี้อรรมาก็ออกมาสนทนาธรรมแกท่านโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมาพรมเวลาสมควรกันจะกล่าวให้นานเกินไปเวลาก็เป็นอาจารย์สมัยจะข อ, อยุตกิการบรรยายวัเพงแค่นี้ในที่สุดแห่งการบรรยายนี้ ขออำนาจคุณทศีรัตนไตรและการ ป, รปฏิบัติของท่านทั้งหลายจงมาร่วมกันเป็นปฏิภาโนบายป้องกันภายแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทให้ปราศจากสรรพทุกโศกโลกภัยน า, นานาประการย่ายังอิสิ ต, ต่างต่างๆสมิชตุกสิ่งหนึ่งประการใดที่ท่านทั้งหลายปรารถนาอันรอประกอบไปด้วยความชอบธรรมขอความปรารถนาอนั้นจงพันสําเร็จจงพันชสําเร็จทุกประการ และจงเจริญไปด้วยอายุวันนะักสุขพรปฏิพานคุณสารสมบัติตลอดการเป็นนิเธอ